ทุพพันณะกรณศสิกขาบท111ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ได้จีวรใหม่แล้วไม่ใช้วัตถุที่ทำให้เสียสีสามชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปจำจีวรของตนไม่ได้ในทุพพนกรณศสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุทรฐานเกิดด้วยสมุทรฐานสองสมุดฐานเป็นเอละกะโลมะสมุทรฐาน